มันเรือเก่าๆผู้ๆแล้วก็รั่วเนี่ยนะรั่วทั้งก้าวาวรนะเนี่ยนะรั่วมากเลยนะทีก็รั่วตวาบ้างตาสองตาหูสองหูจมูกสองจมูกถานรปากอีกนะเขรั่วซึมซับไปทั่วร่างกายไปหมด mm. เมื่อมันเรือรั่วแบบนี้ทําไงดีอ่ะก็ต้องรีบเร็วให้มันขึ้นบกเร็วที่สุดเท่าที่จะขึ้นได้ใช่ไหมถ้าไม่รีบเพียนพยายามกวนขวายอย่างนั้นแล้วไปไหน no, เนี่ยนะนั้นกายนี้ก็เป็นอย่างงี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างเธอว่านั้นนะ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 อทีแรกจเจริญไปจเจริญมาจะมาสรรเสริญพุทธคุณหนักหนักหักเข้าพูดถึงแต่ความเลวร้ายของคนอื่นเอ้มันอะไรกันแน่ใช่ไหมตอนแรกที่เราจะเจริญกุศลธรรมอยู่อย่างดีจเจริญไปจเจริญมาเอ้าเขาบอกว่าโอ้เนี่ยมาศึกษาอะไรศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าวันวั น, วนหนึ่งพูดถึงกี่คำน้อยอางนี้นะก็ก็เลยกลายเป็นว่าเออเอาไปเอามามันผิดอะไรผิดประเด็นนะเมื่อมันผิดประเด็นเข้าเป็นสาวกใครอะไรกนนี้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 ก็คือถ้ามองบอกวกายเหล่านี้ ม, มันให้ค่ามันมากให้ความสำคัญมากตายแน่งานนี้ไม่รอดเนี่ยนะแล้วก็ทุกทุกๆๆๆแล้วก็มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ไปเรื่อยบอกเอาถ้ามีความเจ็บปวดเป็นอารมณ์ชาติหน้าควรจะเกิดที่ไหนดีสมมติปวดหัวคิดถึงแต่หัวกลุ่มรมูยตายแน่งานนี้ทำไมมันปวดหนักปวดหน า, ป ว, หนาปวดสาหาัสเหลือเกิน ถ้าเกิดตายตอนนั้นโอ้ยคิดถึงแต่ความเจ็บปวดพระพุทธเจ้าก็ลืมพระธรรมก็ลืมพระสงฆ์ก็ลืมสาทุชาติหน้าก็เทไหนดีเนี่ยนะก็มีแต่ความเจ็บปวดเป็นอารมณ์ก็ไปอยู่ภูมิที่เจ็บปวดเนี่ยนะภูมิไหนที่เจ็บปวดก็ๆๆไปอยู่ภูมิ น, นั้นแหละเพราะ อ, อะไรเอาก็เพราะว่าเจริญแต่ความเจ็บปวดพยายามคิดถึงอยู่แต่ความเจ็บปวดแล้วมันจะไปพ้นความเจ็บปวดได้อย่างไรเนี่ยนะเอาถ้าก็เป็นอย่างนั้นเอาถ้าเรานึกถึงแต่ความเสียอกเสียใจคิดถึงแต่ความไม่สบายใจ ถ้าตายตอนนั้นจะไปอยู่ที่ไหน no. เนี่ยนะนั่นแหละก็แล้วใครแช่งใครตกนรกคนี้มีใครมาแช่งใครโรคเนี่ยนะตัวของตัวทั้งนั้นเลหรืออัตตก็ไม่มีถ้ า, างี้ก็โปรดไม่ขึ้นแล้วละว่างั้นนะนะต่อไปบอกว่าเตโชธาตบังนะข้อส4 4ร่หน้าห2 1ยอดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็เตโชธาตเป็นไนะ เตโชาธาตที่เป็นภายในก็มีเตโชาธาตที่เป็นภายนอกก็มีเตโชาธาตที่เป็นภายในเป็นไนคืออุปาทินากะรูปอันเป็นภายในเฉพาะตนเป็นของเล่าร้อนถึงความเป็นของเล่าร้อนเช่นเตโชธาตที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นเนี่ยนะมันอุ่นมากจนเหงือ่อท่วมเล ย, ยงไงนะเนี่ยนะเรียกว่าร่างกายที่ทำเอเตโชาธาตที่ทําให้ร่างกาย อบอุ่นเนี่ยหนึ่งสองเตโชท่าที่ทําให้ร่างกายสุดโสมเนี่ยนะโสมแค่ไหนะคิดดูนะตอนแรกเลยเนี่ยนะก็ไปสังเกตดูก็ะดกดูผิวหนังของคนที่อายุมากมขึ้นเนะี่ยดูสิท่ทาไฟมันเผาซะเฉาหมดเลยเนี่ยนะผิวหนังเนี่ยมันมั น, ม, นมันเหมือนดอกบัวเฉาอ่ะนะมันค่อยๆเฉาไปเรื่อยใชม่มันเผาซะจนเป็นอะไรนะเป็นตะปุ่มตะป่ํำก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นตุ่มเป็นตุ่ ม, เ ป, มเป็นติ่งออกมาทั่วตัวไปหมดเนี่ยนะ แล้วมันจุดเล็กๆเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดดําจุดอะไรเนี่ยนะอย่างเขามาเห็นคนที่มีอายุเกินร้อยปีขึ้นไปเนี่ยนะมันมันจะเป็นอะไรนะมันเป็นแค่เรียกว่าต ก, กะเนี่ยนะก็จะเป็นตุ่มดำดำดำดำเต็มตัวไปหมดบางคนก็ออกติ่งมาตามตัวเนี่ยนะเพราะอะไรก็นั่นแหละคือไฟคือเตโชาธาตมันเผาเนี่ยนะกระตวทำให้ร่างกายสุดโสมใครจะคิดว่าอย่างอะไรดอกไม้สดๆเนี่ยนะตอนที่มันสวยๆเนี่ยถ้าดอกบัวเคยดอกบัวไปตากแดดไหมนะ ดอกบัวบูชาพระเจดีย์นี่เห็นชัดไหมตอนเช้านี่แหมไปตั้งงามงามสดด้วยสวยด้วยพอกลางวันแดดร้อนเปรี้ยงตกตอนเย็นอ่ะนะไปจะไงรดน้ำเผื่อจะสดได้ได้ไหมทาได้ไหมเอาน้ําไปรดเป็นร้อยหม้อมันก็สดไม่ได้ฉันใดากายที่ชารานี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะเตโชธาติเพิ่งชารามหมดเลยมีลุงคนหนึ่งอายุ70กว่าแล้วไปมีภรรยาสาวอายุ40สิบเสร็เสร ไ, ได้ลูกลูกขึ้นมาเนี่ยเพรามีลูกขึ้นมาใช่ ไปไหนก็ไปกับคุณพ่ออาบักอ่าเขาไปคุณพ่อเช่นไปส่งส่งลูกรับลูกส่งลูกเรียนหนังสือยังไงนะคุกคนก็พยายามทักอ้าวหนูพาคุณปู่มาด้วยละลูกอย่างนั้นนะโอ๊ยพ่อดิเจ็บใจเจ็บทำน้ําใจตอนหลังไม่กล้าไม่มั่นใจในตัวเองเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะหน้าตามันบอกหมดเลยนะมันมันเช้าหมดอลยนะไปไหนอ้าวพาปู่มาด้วยเลยอนยะ่างเงี้ยไปไหนกับภรรยาบอกอ้าวพาพ่อมาด้วยเลยอย่างงี้ยนะโอ๊ยมันจะคิดมันจะเจ็บทำน้ําใจขนาดไหนะไฟคือ เตโชาธาดเผาสแหลกรานหมดเลยเนี่ยนะนะก็หนักที่สุดก็ไปดึงหน้าดึงตาเนี่ยนะก็เคลียความมั่นใจขึ้นมาหน่อยนะมันก็ดึงกันนั้งอะ่ะแลมันไม่ได้ดึงอะไรอย่างอื่นด้วยนะไปยกเครื่องตับได้ไหมเอ้าได้ไม่ได้หรอกนะนะยังไงก็ไม่เหมือนอะไรแท้ไนงะร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะแบบปรับเปลี่ยนยังไงมันก็อย่างนั้นแหละหนักที่สุดก็เตโชาธาดเผาสเรียบหมดเลยเนี่ยนะนะ เรียว่าเตโชท่าท่าไฟที่ทําให้ร่างกายสุดโทมแล้วก็เตโชท่าที่ทําให้ร่างกายเร่าร้อนเร่าร้อนตอนนั้นก็แปลว่าเจ็บป่วยนะเช่นเจ็บป่วยร่างกายนี้มันร้อนระอุไปหมดเลยเนี่ยนะเกิดอาการไข้ขึ้นเนี่ยนะไข้ขึ้นเช็คดูแล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าเช็คที่ไหนที่หูนี่หูยังร้อนเลยใช่ไหมใต้ลิ้นลใต้ลิ้นก็ร้อนเนี่ยโอ้มันร้อนไปหมดทั่วกายนั่นแหละร่างกายท่าไฟที่ทําให้ร่างกายเร่าร้อนแล้วก็เตโชท่าเกี่ยวกับ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 จะใช้ได้สว่างนานไมโยมสมมว่าออบดึงพลังงานจากธาตุไฟในร่างกายทั้งหมดเนี่ยนะมาเป็นหลอดหลอดะรหลอดกลมๆนะร้อยวัตต์เนี่ยจะใช้ได้ประมาณถึงนาทีไหมมันไม่น่าถึงไนงะไม่น่าถึงนาทีนะถ้าร้อยวัตต์เนี่ยนะทำไมาให้มันสว่างต่อๆกันนะแสดงว่าไฟเราบบกบางเหลือเกินเนี่ยใช่ไหม มีธาตุไฟอยู่นิดเดียวนะแต่ก็บอกแหมมีไฟพละมีไฟแรงเหลือเกินไฟคือราคะอ่ะสินี่มันแรงน่นะไอ้ไฟคือไฟเตโชธาตุจริงๆมันไม่ได้แรงเท่าไหลายรอกเนีนะไฟที่มันแรงจริงๆร้อนแรงเหลือเกินไฟคือราคะนี่มันร้อนระอุไฟคือโทสะก็เผาสตาแดงกล่ําไปหมดไฟคืออนะโทสะก็เผาสัตน้ําตาไหลเยิ้มเนี่ยนะเกลี้ยงหมดเลยแล้วไฟคือโมหะล่ะโอ้ยเผาสัจนอยู่ในวัตตาได้อย่างนานเนี่ยนะ แล้วก็ไฟคือชาติชรามมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตอ น, นี้เตโชธาตอะไรอันนั้นไม่ใช่เตโชธาตนั้นแต่ว่าเป็นอคิธาตธาตแห่งความเร่าร้อนร้อน ร, อ น, รอนแต่ว่าอันนี้เตโชธาตก็คือธาตุที่อยู่ภายในกายเนี่ยหนึ่งทำให้ร่างกายอบอุ่นสองแก่ชราสามป่วยไข้สี่ช่วยย่อยสลายเนี่ยนะหลายๆอย่างในร่างกายของเรา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 ก็ได้แบบทีนี้มาดูไฟภายนอกบ้างเตโชาธาต์อันเป็นภายนอกย่อมกำเริบจะมีได้แล้เตโชาธาตภายนอกกำเริบเป็นยังไงห้างถูกไฟไหม้เคยเห็นไหมบ้านถูกไฟไหม้เมืองถูกไฟไหม้อะไรนะนีคมถูกไฟไหม้ชนบทถูกไฟไหม้ประเทศถูกไฟไหม้เมีงานที่อินเดียเขามีงานแต่งงานเมีงานแต่งงานแล้วกลาลังเข้าพิธีแต่งงานบ่าวสาวกํลาลังดีเนี่ยนะไฟฟ้าลัดวงจรตายกันเรียบ50กว่าคนเนี่ยนะ ก็ไฟไฟเผาตายท่านน่ะนะไม่รู้ว่างานแต่งหรืองานตายนะันก็ใกล้ๆกันนะ่ะนะก็ตายไปห้าสิกว่าคนในงานนั้นนะ่ะนะแก๊สระเบิดอย่างเงี้ใช่ไหมขับรถไปดีๆเพราะว่าพูดถึงธาตุไฟเนี่ยมันก็น่ากลัวนะชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่บนรถบนท้องถนนใช่ไหมมันคันหน้าก็น้ํามันทั้งนั้นคันหลังก็นน้ำมันคันซ้ายก็แก๊คันขวาก็น้ํามันเนี่ยนะถ้าทุกอันนั้นนะ่ะมันไหลอาบลุกแล้วก็ไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้น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 ใายจะคิดว่าไฟเทียนดวงเล น, น้อยจะเผาสารากา ร, ปรเปียนเป็นต้นน่นะ